34. เริ่มอาภาษหนะักพุทธศักราช2526รกพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่สิบกันยายนพุทธศักราช2526สาเหตุเนื่องจากในวันที่13ากันยายนพุทธศักราช2526ประสบอุบัติเหตุล้มปาดพื้นห้องน้าที่กุฏิวัดดอยแม่ปัง คณะแพทย์ตรวจพบกระดูกบริเวณะวสะโพกซ้ายของหลวงปู่ร้าวมีอาการหน้าวิตกขณะนั้นท่านมีอายุ96ปีจึงนำเข้าผ่าตัดด่วนในวันที่14กันยายนพุทธศักราช2526นั่นเองคณะแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกสะโพกขวาซึ่งแตก 3-4 เสียงต้องใช้หัวกระดูกเหล็กใส่แทนหลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อ28กันยายนพุทธศักราช2526 หลังจากรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาสองสัปดาห์วันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2526อาการของหลวงปูุ่ดหนักลงอีกมีอาการอ่อนเพลียมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จเยี่ยมอาการของหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังโปรดเกล้าแพทย์หลวงร่วมรักษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทย์หลวงแขลงอาการของหลวงปู่แหวนว่ามีอาการอัมพาตที่แขนซ้ายพูดไม่ได้กลืนอาหารลำบากตั้งแต่วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2527คณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้สง่งแพทย์ไปตรวจรักษาโดยทันทีที่วัดดอยแม่ปังความราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกล้าให้ในายแพทย์ประดิษฐ์เจริญไทวี และนายแพทย์รุ่งธรรม ร, รัตพรีเดินทางไปสมทบกับคณะแพทย์โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่เมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2527อาการขาดโลหิตไปเลี้ยงสมองดีขึ้นคณะแพทย์มีความเห็นตรงกันว่าควรอาราธนาหลวงปู่ไปตรวจโรคและรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ดังนั้น วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2527เวลาประมาณ11นาฬิกาเศษท่านจึงเป็นคนไข้ประเดิมตึกสุจินโนจากการตรวจสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบเนื้อสมองด้านขวาส่วนหนึ่งไม่ทำงานสาเหตุเนื่องจากโลหิตไม่ไปหล่อเลี้ยงสมองส่วนนั้นจึงทำการรักษาจนกระทั่งมีอาการทุเลาขึ้นตามลำดับสามารถพูดได้เป็นคำๆ หรือประโยคสั้นๆแขนขาเคลื่อนไหวได้หลวงปู่แหวนออกจากโรงพยาบาลเดินทางขับวัดดอยแม่ฟังเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2527เวลา16นาฬิกาอาพาธหนักอีกเมื่อปลายปีพุทธศักราช2527หลวงปู่อาพาธอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2527 เวลา 20.30 นาฬิกานาทีโดยมีอาการไข้และท้องเดินแพทย์ต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดแต่ต้องเจาะใหม่หลายครั้งเพราะเส้นเลือดแตกวันที่26มกราคมพุทธศักราช2528เวลา 16.30 นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลรัรลกสเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปเยี่ยมหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จทรงห่วงหลวงปู่แหวนวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528 เวลา16นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยา ม, มกุฎราชกุมารเสด็จไปเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู่ที่วัดดอยแม่ปังทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยในการอาพาธของหลวงปู่แวนเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขวายน้ํามันบำรุงผิวแก้ผิวแห้งและอาการคัน จนกระทั่งเวลา20นาฬิกาจึงเสด็จกลับพระราชตำหนักผู้พิงราชนิเวศเข้าโรงพยาบาลไข้สูงวันที่14เมษายนพุทธศักราช2528หลวงปู่มีอาการไข้สูงอุจจระสีดำเข้าใจว่าเป็นเพราะโลหิตออกในทางเดือนอาหารคณะกรรมการแพทย์ผู้รักษาหลวงปู่ได้ขอรถพยาบาลจากโวงพยาบาลล้านนา รับตัวหลวงปู่แหวนมาที่โรงพยาบาลมหาราชห้องไอซีูตึกสุจินโนและห้ามเยี่ยมพร้อมจัดแพทย์ดูแลตลอด24ชั่วโมงวันที่17เมษายนพุทธศักราช2528เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยลัก ทรงเยี่ยมอาการอ า, าพาธของหลวง ป, ปู่ณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชจนกระทั่งเวลา1 9 4 5นวันเดียวกันจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานคราพาตัดเจาะท้องให้อาหารวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2528เวลา 16:00 น คณะแพทย์ได้นำหลวงปู่ออกจากห้องพักั้นที่14เข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งทั้งนี้เนื่องจากหลวงปู่อาเจียนขณะทานอาหารและมีอาการไอหอบต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจแพทย์จึงตัดสินใจผ่าตัดท้องใช้สายยางสอดเข้าไปในกระเพาะเพื่อให้อาหารคณะแพทย์ตกลงให้ยาชาแทนยาสลบใช้เวลาผ่าตัดทั้งสิ้น2ชั่วโมง 35. ิพิธีศพหลวงปู่แหวนสุจินโนอาภาษ์ตลอดมาในช่วงหลังของชีวิตด้วยโรคชราระยะหลังชานอาหารไม่ได้ต้องผ่าตัดเพื่อใส่สายยางเข้าไปในกระเพาะอาหารซึ่งได้ผลเฉพาะในช่วงแรกเท่านั้นเพราะต่อมากระเพาะอาหารเกิดการผลตัวเมื่ออาหารตกถึงกระเพาะก็จะถูกขับออกมาเปะเื่อนหน้าท้องทาให้บริเวณหน้าท้อง เป็นผื่นคันก่อนที่หลวงปู่จะามรณภาพได้เกิดอาการบวมและคันที่ผิวหนังบริเวณลำตัวโดยทั่วไปและได้ถึงแก่มรณภาพในที่สุดเมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2528เวลา21นาฬิกา53นาทีคณะแพทย์ได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบ ซึ่งได้รายงานถอยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบโดยทันทีคณะแพทย์ได้ทำการตกแต่งศพของท่านเพื่อความเรียบร้อยก่อนจะมีพิธีรดน้ำศพทั้งนี้โดยมีบรรดาพระเทระชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งบรรดาผู้เคารพนับถือเป้าอยู่ประมาณห้าสิบคนสำหรับพิธีศพที่ได้จัดถอยแก่หลวงปู่นั้นทางราชการได้จัดกาหนดการในเบื้องต้นไว้คือ ในช่วงเช้าของวันที่สกรกฎาคมพุทธศักราช2528ทางวัดและจังหวัดได้ร่วมกันจัดพิธีโดยให้ประชาชนทั่วไปเข้ารดน้ำศพที่สาลายอ่างแก้วบริเวณมหาวิทยายลัยเชียงใหม่สำหรับในช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานน้ำอาบศพพระราชทานน้าอาบศพวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2528เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำอาบศพหลวงปู่ณศาลาอ่างแก้ว บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระราชทานน้ำอาบศพแก่หลวงปู่ทรงทอดผ้าไตรและวางพวงมาลาดอกไม้สดที่หน้าศพพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับพระครูจิตตวิโสธนาจารย์หรือพระอาจารย์หนูสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปังซึ่งได้กราบทูลอาการของหลวงปู่ก่อนมรณภาพว่าอยู่ในภาวะสงบจิตและมรณภาพด้วยอาการสงบยิ่งหลังจากนั้นคณะแพทย์โรงพยาบาลมหาราชได้นำศพหลวงปู่ไปตั้งเพื่อบำเพ็ญกุศลที่วัดดอยแม่ปัง พระราชทานโกตรชั้นพระราชาคณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนานโกตรชั้นโผระดับเดียวกับที่เคยพระราชทานหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดอุดรธานีแด่หลวงปู่แหวนสุจินโนบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเจ็ดวันทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันและหนึ่งร้อยวัน โดยตั้งศพหลวงปู่ไว้ณศ า, นะาลาการประเรียนหลังใหม่เพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปชีวทัศและโลกทัศชีวทัศและโลกทัศตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาอยู่ในพระไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทุกขังและอนัตตาคือความไม่มีตัวตนพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นผู้ที่เพ่งเห็นความดับทั้งปวงในที่สุด ชี้ทางเหตุผลไปสู่หนทางลุล่วงโลกุตระและนิพพานเป็นผู้ที่สืบเนื้อนาบุญและสืบศาสนาโดยแท้กว่า78ดพรรษาที่พระคุณท่านอยู่ในสมณเพศแสงแห่งคุณธรรมของท่านสา ส, สองไปทั่วพื้นที่พบ ร, รมโมวาดของท่านเปรียบประดุดแสงประทีปธรรมที่สองชี้นำทางให้มนุษย์มีดวงจิตกระจ่างจนสามารถเห็นสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริง และมุ่งประกอบแต่กรรมดีเพื่อล่วงผลสังสารทุกนับได้ว่าท่านเป็นที่พึ่งทางใจแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกชั้นวรณะโดยแท้สมกับนามของท่านสุจินโนซึ่งหมายถึงคิดดีรู้ดีพระคุณท่านเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะท่านประเสริฐเลือดด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่งกอบด้วยจริยวัตรที่งดงาม ตลอดทั้งการปฏิบัติต้องตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดอย่างยากที่จะมีสาวกของพระตถาคตองค์ใดปฏิบัติได้แม้ท่านจะละสักขารไปแล้วก็ตามมรดกธรรมของท่านที่มีต่อสาธุชนจะไม่มีวันคลายโอ้พระผู้ตื่นพระผู้เบิกบานเตี่ยมด้วยเมตตาปัญญาอันบริสุทธิโอ้พระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโน พระผู้เป็นที่พึ่งทางใจแห่งเราชาวพุทธทั้งปวงที่สุดแห่งการประพฤติ ธ, ธรรมของพระอริยะสงฆ์เจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนมิชัยทีลาสักการะสนเสรินหากแต่เพื่อเกื้อกูลสัตว์โลกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอนิสงส์นี้สะท้อนให้เห็นชัดแจ้งจากดวงตาของท่านที่ละทิ้นแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวงใส่ประดุดแก้วเจรนายที่สูงค่า เปล่งประกายชายแววแห่งความกรุณาปราณีเป็นนิดที่ทอดมองมายังสาธุชนทั่วไปก่อให้เกิดความอบอุ่นความรักและความศรัท ธ, ธาอย่างแรงกล้าการปฏิบัติธรรมของท่านไม่ใช่เพื่ออาลัยบูชาแต่ที่กระทาและสแสดงธรรมนั้นเป็นด้วยทานทิพย์แห่งเมตตาบนเส้นทางของพุท ธ, ธะเพื่อความสะอาดและสว่างแห่งดวงจิตของมวลมนุษย์ ที่สุดของชีวิตคือรู้ธรรมสัรพชีวิตในโลกล้วนเป็นสังสารวัตรคือการเวียนเกิดและเวียนตายพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนได้สละแล้วซึ่งอาสวะกิเลส ท, ทั้งปวงโดยดำรงอยู่ในสมณะพรหมจรรย์ตลอดระยะเวลานา น, านกว่าเจ็ดสิบแปีและได้ละสังขารลงอย่างสงบณ ห, ห้องมาตินหมายเลขหนึ่งสศหนึ่ง ชั้นที่14อาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในคืนวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2528เวลา21นาฬิกา53นาทีตรงกับวันอังคารแรมหนึ่งขาปีชารุสิริอายุได้98ปี5เดือน16วันท่ามกลางความมืดมิดของรัติการ ทิ้งไว้แต่แสงแห่งาาธรรมศาสว่างเป็นนวลใหญ่อยู่กลางใจของพวกเราทุกคนการสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักต่อแต่นี้ไม่มีอีกแล้วพระมหาเทระผู้เจริญในสมณคุณเนคข ม, มะปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลาจารย์ที่งดงามยิ่งสุดที่จะไขว่คว้าให้ท่านฟื้นกลับคืนมาได้โอ้พระอริยสาวกแห่งองค์พระาศาสดา ผู้เปี่ยมไปด้วยบุญญาบารมีกอบด้วยเมตตาธรรมแกสัตว์โลกผู้ทุกข์ยากตัวเลขต่างๆในชีวิตของหลวงปู่แหวนสุจินโนเกิด16มกราคม2430บรรพชาอายุ9ขวบพุทธศสกฤต2439 จาริกแสวงธรรมกับท่านอาจารย์มั่นพุทธศักราช2474พบกับพระอาจารย์หนูครั้งแรกพุทธศักราช2489เริ่มมาจำพรรษาวัดน้อยแม่ปังพุทธศักราช2505สถานที่เคยจำพรรษาระยะนานในภาคเหนือตอนบนแม่ปวก3พรรษา วัดป่าบ้านโป่ง1 1พรรษาวัดป่าห้วยน้ำริน1 0 0 0รษาและวัดดอยแม่ปัง2 3 0 0รษาอาพาธครั้งแรกพุทธศักราช2520อาพาธหนักครั้งแรกพุทธศักราช2526เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดครั้งแรกพุทธศักราช2526 อ า, าพาธหนักครั้งที่สองพุทธศักราช2527มรณภาพเมื่อ2กรกฎาคม2528เวลา21นาฬิกา53นาทีมรณภาพที่ห้องเลขที่1401ชั้นที่14อาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งศพ บ, บำเพ็ญกุศล1ปี6เดือน15วันอายุถึงวาระสุดท้าย98ปี5เดือน16วันค่าก่อสร้างเมรุ 1,700,000 บาทพระราชทานเพลิงศพ17มกราคมพุทธศักราช2530